สลฟังสถานีวิทยุ FM 106สทรที่ท่านฟังอยู่ขณะ น, นี้วิทยุครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาเฉลิมพระเกียรติเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสรรณสนีสนทนาสนสนีนาครงดําเนินรายการคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบกับท่านเพบูนอภิปุนโนนะคะจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัอดอุดรธานีเปิดธรรที่ถูกปิดด้วยพุทว จ, จะนะคะ่ะนมัส ก, การกันทั้งคะใชเจริญพร จะบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าในช่วงเวลาที่ท่านมาใด้อ่านพระสูตรแล้วก็เราได้ฟังพระสูตรอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราฟังด้วยจิตที่เรียกว่าเป็นสมาธนะิไม่ต้องสนใจว่าท่านจะพูดถูกหรือพูดผิดไม่ต้องสนใจว่าไอ้นี่เราเคยฟังแล้วหรือยังไม่ต้องสนใจว่าสิ่งรับข้างจะเป็นยังไงเนี่ยเอาแค่สนใจแค่ว่าจิตเราสนใจที่จิตเราให้ฟังด้วยจิตนะอย่าฟังด้วยหู เราจะเข้าใจทราบซึ้งลึกซึ้งมันจะนิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคุณโยมติว๋วทีนี้มีท่านรับฟังท่านหนึ่งนะคะ่ะท่านก็รายงานผลการรับฟังอบอกว่าตอนที่ท่านมาพูดเนี่ยตอนที่ท่านมาอ่านอืเสียงเบามากออย่างนี้นี่ต้องสนใจความดังความเบาของเสียงด้วยไหมคะสนใจจิตตัวเองให้สนใจจิตตัวเองค่ะนะแล้วก็ฟังก็ได้ยินก็โอเค ได้ยินนิดนึงก็เอาเท่านั้นแหละแล้วก็สนใจจิตตัวเองออค่ะคือไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นมาดูที่ตัวเองอย่างเดียวใช่อย่างนั้นนะคะค่ะท่านคะทีนี้มาถึงเรื่องของคำถามแล้วล่ะคะ่ะรู้สึกว่าโยมของท่านเพรบู์ท่านนี้ชื่อน่ารักมากถ้าดิฉันอ่านไม่ผิดนะคะเพราะว่าตัวเล็กมากชื่อคุณเจ้าชายใช่ไหมคะมาาคุณเจ้าชายเนี่ย ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดลมหายใจค่ะ uh huh. เพราะว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดลมหายใจชนิดที่ว่าจะทำทั้งวัน uh huh. มีสักประมาณส3งสาครั้งต่อวันที่เผลอไม่ได้กำหนด uh huh. กำหนดไม่ได้สามสี่เดือนผลเป็นอย่างนี้ค่ะ uh huh. โมโหง่าย uh huh. หุดหงิดง่ายจัง uh huh. แต่รู้ตัวนะว่าโมโหและหดหงิดจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่เคยโม โ, มโหง่ายไม่หมดหงิดง่าย ตอนนี้ก็เลยเลิกกาหนดไปซะเลยไม่ทราบไอ้ที่โมโหง่ายนะ่ยมันเกิดจากอะไรครับแทนที่จะสงบเย็นกลับตรงกันข้ามอ๋อคือแสดงว่ายังทําไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าสมาธิเนี่ยเราทําถูกแล้วเนี่ยนะมันจะสบายพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบคุณโยมติว๋วเปรียบเทียบกับพ่อครัวสองคนนะพ่อครัวรสองคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทำอาหารปรุงถวายพระราชามีซุปบ้าง มีแกงบ้างมีขนมอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะเพราะครคนแรกเนี่ยไม่ฉลาดนะทำอาหารไปแต่ไม่สังเกตรสชาติอาหารตัวเองไม่สังเกตว่าเจ้านายเรากินอะไรไม่สังเกตว่าทำอะไรมาแล้วเขากินเขาเขี่ยออกไม่สังเกตนะอีกคนหนึ่งสังเกตเออันนี้วันนี้เจ้านายเรากินมากวันนี้เจ้านายเรากินน้อยอันนี้เราเปลี่ยนรสชาติเป็นอย่างนี้เขาเอาอันนี้เขาไม่เอาสังเกตคนที่ไม่สังเกตเนี่ยจะไม่ได้รางวัล นะจะไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลตามที่เขาควรจะได้แต่คนที่สังเกตเนี่ยพ่อครัวที่สังเกตเนี่ยเป็นคนฉลาดเนี่ยจะได้รับรางวัลจากพระราชาหรือว่าเจ้านายของตัวเองเหมือนกัน<ะ>ถ้าเรากาหนดสมาธิคุณโยมติว๋วท่านผู้ฟังด้วยมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอะถ้าเราไม่รู้จักสังเกตลมหายใจของเราแบบที่ถูกต้องนะมันจะไม่สามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้จะมีนิวร อ, อยู่เป็นประจา เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ฉลาดในการสังเกตวาระแห่งจิตของตนแต่คนที่ฉลาดในการสังเกตวาระแห่งจิตของตนเนี่ยจะทำํำสามารถทําจิตให้ตั้งมั่นได้นะจิตเนี่ยจะเป็นหนึ่งได้มีความสุขที่เกิดจากสมาธิได้ก็คือตอบง่ายๆนะทำให้ถูกแล้วทํายังไงทําให้ถูกค่ะทำให้ถูกเ <c oughs> นี่ยมันมีหลายประเด็นไอ้ทำผิดเนี่ยมันมีจังเยอะแยะนะทำถูกเนี่ยมีแค่อย่างเดียวนะก็คือว่าเวลาเราสังเกตเราหมายใจเนี่ยเอาง่ายๆ อย่าบังคับนะบางคนเนี่ยชอบไปบังคับอย่าไปคิดเนี่ยอย่าไม่ให้สมองเนี่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบังคับลมให้ลมนี่ต้องเข้าเท่านี้วินาทีออกเท่านี้วินาทีเข้าประมาณเท่านี้ออกประมาณเท่านี้ไม่ต้องบังคับนะทําให้เป็นธรรมชาติบางคนที่นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเอ้ยตอนเช้าๆฉันตื่นมาใหม่ๆนี่ลมหา่ใจจะเข้ายาวออกยาวมันมันจะระยะห่างระหว่างการเข้าออกเนี่ยจะจะมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหลัง ร, รับประทานอาหารใหม่ๆบางคนก็จะไปบังคับลมหายใจตอนกินข้าวใหม่ๆเสร็จๆเนี่ยให้มันยาวๆมันไม่ได้ล่ะเพราะว่าร่างกายมันต้องการการเผาผลาญอาหารนับวินาทีนั้นมันต้องการอากาศมากเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการทํางานให้เอาอากาศเข้าไปมากเราก็ให้เป็นธรรมชาติสังเกตพออันนี้ข้อที่1 น, นะไม่ต้องบังคับลมหายใจข้อที่สอง อย่าตามลมหายใจบางคนเนี่ยตามเข้าไปถึงท้องถึงสะดือไปถึงไหนตามไปหมดออกไปถึงหน้าปากซอยแล้วมันก็ยังตามไปลมอ่ะ <c oughs> อย่าไปตามค <c oughs> นะให้รู้อยู่ที่จุดจุดเดียวนะคือที่สัมผัสที่เกิดขึ้นจากที่ลมเนี่ยกระทบโพรงจมูกลมกระทบตัวเราเนี่ยลมที่มันเข้าเนี่ยกระทบตรงไหนเนี่ยเราก็เอาจิตของเราไปรับรู้ตรงนั้นจุดเดียวอย่าตาม นะเราก็ไม่ต้องบังคับไม่ต้องไม่ต้องอตามลมนะแค่นี้ยทําให้ถูกจะได้ผลอย่างที่ต้องการค่ะก็ดูเหมือนว่ามีแค่2อข้อเท่านั้นเองใช่ก็จะมีาบังคับลมกับอย่าตามลมมีข้ออื่นอย่างเช่นว่าถ้าเห็นภาพได้ยินเสียงมีความคิดเกิดขึ้นพวกนี้เราก็ต้องวางให้หมดละวางให้หมดอย่าไปสนใจเขาอย่าตามเขาแค่สนใจลมหายใจอย่างเดียว